ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีวทุมในวันนี้จะพูดเรื่องสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นพระสูตร์ใหญ่แล้วก็มีความยาวมากสติปัฏฐานสูตรนั้นปรากฏในทีคณิกายเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตร ที่ปรากฏในมัจจิมนิกายเรียกว่าสติปัฏฐานสูตรเฉยในขณะเดียวกันก็มีสติปัฏฐานปาฏิมีข้อความสั้นกวา่าแต่ว่าแสดงเรื่องเดียวกันเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าส่งรับรองผลจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพะใครก็ตามที่ สามารถอบรมเจริญกระําให้มากในสติปัฏฐานนีจะสามารถบรรลุมรรคผลได้ไปในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่ไม่เกินเจ็ดชาติถึงพระธรรมเทศนาที่รับรองผลในลักษณะนี้ประกันผลในลักษณะนี้ก็ถ้าที่เจอก็มีประศเดีแต่จะต้องเข้าใจว่า สติปทานา น, นสุดนั้นเป็นการสรุปรวมทั้งหมดเอาไว้แล้วพระธมมาทั้งปวงก็คือหลัก อ, อริยสัจสี 4. ในสติปทานก็แสดงอริยสัจสีในรูปแบบต่างๆแล้วก็มาสรุปลงที่อริยสั 4. จสี่จนท่านสาชนจะพบองค์ธรรมที่ซ้ำๆกับเรื่องที่เราเรียนมาแล้ว พระยาติเคยบอกว่าธรรมะในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยองคธรรมมันมีไม่มากหรอกแต่ว่าเป็นปริยายเทศนาเป็นนิยะของการแสดงก็ดึงจุดเด่นมาเน้นในจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสมแก่คนผู้ฟังในขณะนั้นๆที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเป็นอเนกกับปริยาย คือมีปรยายคือเป็นระยะนี่เป็นอนเนกคือนับไปได้แต่ทุกครั้งเราก็เจอว่าก็คืออริยสัจมันเป็นความแตกต่างในความเหมือนคือหมายความภาษาที่ใช้สื่อเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ก็เหมือนกันที่มันเป็นสวากขาตธรรมคือธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว เป็นสันเลกธรรมคือเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสออกไปจากจิตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับสามัญชนทั่วไปเราจะเห็นว่ามันเป็นการต่อสู้กันอกุศลอาจจะขัดเกลากุศลกุศลอาจจะขัดเกลาอกุศลขึ้นอยู่กับใครมีพลังมากกว่าเพราะจิตเราเลยกลายเป็นสนามต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศล ถ้าเรามองดูจิตเราว่ามีเป็นนั้นมากความตั้งใจที่จะทำดีซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเพราะว่าถูกอกุศลเข้ามาเบียดแทรกแล้วก็ปรุงจิตแท่ทำให้ความคิดที่จะทำความดีเนี่ยมันมากกว่าทำจริงพูดจริงในกรนี้กงกานทำความช่วเหมือนกัน คือบางครั้งมาเราเราก็คิดแรงคือจะทําแรงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนโนนแต่เอาก็จริงเนี่ยกระแสของกุศลเขาเกิดมาบิดความรู้สึกตรง น, นั้นเอาไว้แล้วก็ปรุงจิตแทนจิตมันก็กลายเป็นอดทนเป็นการให้อภัยเป็นการรอคอยเป็นการเลิกแล้วต่อกันก็แล้วแต่ว่าพลังของกุศล น, นี้เขาเกิดแรงกระด้าง าการต่อสู้ที่ยืดเดยื้อเจ้านานแต่เราสรุปแล้วมันก็คืออย่างนั้นแหะแต่การต่อสู้เรื่องใหญ่ก็คือตัต่อสู้การระว่างกุศลกับอกุศลหรือโง่กั บ, งง ก, บกับฉลาดได้ดีกับชั่วทีนี้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะดึงกายดึงจิตเราออกจากความชั่วไปเรื่อยๆแล้วก็อีกหละ คือบางทีอกุศลก็ทำหน้าที่ดึงเพราะในช่วงเป็นปุถุชนเนี่ยจึงยังไม่แน่ทั้งสองข้อเนี่ยแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่ต้องการจริงๆก็คือสันติธรรมเป็นความสงบระงับดับเวรภัยดับอันตรายดับอารมณ์ที่ไม่ดีจนถึงก็ดับกิเลสออกไปจากจิต สติปัฏฐานเนี่ยถ้าพูดถึงเราอธิบายกันจริงๆเนี่ยธรรมาเริ่มอธิบายมาตั้งแต่ปศสองพันห้ารอยยี่สิบเอ็ดจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่จบที่อธิบายที่ตึกสวรธรรมนิเวศเพราะว่าธรรมะก็เป็นปัจจัยของการละกันบนเส้นทางที่เราอธิบายเนี่ย ก็กระจายตัวเองไปออกสูตรนั้นไปออกสูตรนี้ไปออกสูตรโน้นก็ไปได้ก็เป็นปริยายที่คว้างขวางขึ้นแต่ว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ยิง่งรู้ดีแล้วก็สามารถที่จะสงบประงับดับกิเลสังเกว พระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงที่แคว้นกุรุซึ่งก็เป็นนครเดนดีในปัจจุบันแต่ว่าเดนดีนี่เขาเขาย้ายหลายครั้งนะทุก ว, วันนี้เขาเรียกกันนิวดินีคือเดนเดนดีนีใหม่เขาบอกว่าเป็นแคว้นที่คือเราสังเกตรพระสูตรที่ทรงแสดงที่แคว้นกุรุ ป, ประมาณเจ็ดแปดสูตร แต่ลสูตรลึกซึ้งทั้นั้นยากทั้งนั้นท่านบอกว่าคนที่นี้เขามีไอ้สภาพไปรลอมนี่นมันดีแต่คนสนใจสนใส่ใจสนใจในการศึกษาในการบิบัติธรรมมากกันมากพระตถ า, าท่านเล่าเลยไปจนถึงกับขนาดนกแขกเต้าเนี่ยยังเจริญกรรมฐ า, าน แล้วนกเต้าตัวหนึ่งก็อยู่ในสมนักของพิษุณีพิกษุณีก็สอนอธิกะสัญญาคือมองร่างกายเป็นร่างกระดูกหรือเป็นโครงกระดูกแกก็ว่าไปจำตมาว่าหนึ่งถูกนกเหยี่ยวเฉี่ยวไปพวกซามนดีรีก็ไล่ ไอ้นกเหยื่ยวปล่อ ย, ยนกเคท้าพอนกเหยี่ยวก็ปล่อยเนี่ยนกเคต้าก็บินกลับมาแล้วก็อิซุนีแมชิเ อ, อสัมเลรีก็ไปดูแลไปสอบถามมาคิดยังไงตอนเหยี่ยวกลันเที่ยวไปเขาบอกไม่คิดอะไรหรอก คิดว่ากองกระดูกกำมังนำกองกระดูกไปก็คงจะตกเรี่ยวรายอยู่ในที่ใดที่หนึง่งคือแสดงให้เห็นถึงการที่จิตเราอยู่ด้วยธรรมะเนี่ยเวลาเกิดปัญหามันจะมองปัญหาเหล่านั้นโดยเข้าถึงความจริงพอเข้าถึงความจริงมันก็มีอะไร เพราะจริงแล้วเหวี่ยงมันคือกองกระดูกกองหนึ่งนกแขกต้าก็เป็นกองกระดูกกองหนึ่งถึงเหี่ยวไม่เฉียวไปมันก็ต้องตกได้รายอยู่ในวันนีง้งไอเหวี่วเองถึงว่าจะเฉียวนกแขกต้าหรือไม่มันก็ต้องตกได้รายอยู่ในวันหนึง่งแล้วจะเหนว่าอธิกสัญญามันนําไปสู่มนานุสติกเกิดปัญญารู้เท่าทันในความจริงของชีวิต แล้วไม่ตื่นสนกตกใจอะไรมันถ้าถูกข่าก็เพียงแต่ว่าตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองถูฆ่าหรือไม่ฆ่ามก็ตายแล้วก็ฆ่าก็ตายเร็วขึ้นหน่อยก็ประทับอยู่ที่นิคมของชาวกุรุที่ชื่อว่ากรมมาสธรรมะ เป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นในอัจฉริยสายของพระองค์คือมีพระประสงค์ที่จะทรงแสดงจะรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาภิกษุทั้งหลายก็ถูกรับจากนั้นก็ทรงแสดงว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุดของเหล่าสัตว์ น, นี่คือเป้าเป้าคือตัวนิโรธสูงสุดทีนี้ความวิสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์เนี่ยมันก็เน้นที่การบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสแต่กิเลสมันก็ต้องขัดเราคือว่าเราทําทันทีทันใดไม่ได้นอกจากคนที่เขามีบา ร, รมีแก่กล้านี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง มันก็กลับไปสู่หลักการเดิมว่าภายในใจเราเดี๋ยมีกิเลสมากหรือบารมีมากถ้าบารมีมากกิเลสน้อยขัดเกลาไม่นานแต่ถ้ากิเลสมากบารมีน้อยก็ต้องใช้ขัดเกลากันอีกเยอะเพราะอะไรเพราะจริงๆในแต่ละวันเนี่ยก็ อ, อัตราส่วนการเพิ่ม สำหรับวิถีชีวิตของคนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเพิ่มกิเลสมากกว่าเพิ่มธรรมะเพราะฉะนั้นทำให้กิเลสมีกำลังคนบางคนเนี่ยอายุยิ่งมากยิ่งกิเลสมากโกรธมา ก, ก, ถ, มากถือตัวมากโมโหมากสุนเฉียวง่ายขี้บน่นและบางทีก็อาจจะโลบหรือคนอายุมากโลบเนี่ยก็น่ า, น, านดูนะฮะ คือไม่รู้จะโลภไปทำอะไรคือยังชอบความคิดของคนกเก่าๆฉันอยู่อีกไม่กี่ผืนผ่านุ่งแล้วเพราะถ้าจะไม่แสดงอาการโลภแต่แสดงความประมาทคือรีบร่งกระทาความดีแสดงถึงความไม่ประมาทรีร่งกระทาความดีความิสุทธิ์เนี่ยที่จริงมันก็คือเป็น อรียมักับนิโรธนะเรียกทรงแสดง อ, อีกแนวหนึ่งทรงแสดงรวบยอดคือศีเลวิสุธดความเบลสุทธดหมดจดในชั้นศีลก็คือการรักษาศีนที่มันมีความประณีตคือเข้าถึงจิตนะคือถ้าสียังไม่เข้าถึงจิตมันก็ยังไม่ประนีต เพราะอะไรพระท่านบอกว่าสมาธิสังวัตถิกาคือจิตโน้มน้อมเข้าหาความสงบมันนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่พูดกระทาแต่่าอยู่ที่จิตซึ่งต้องสงบจากความโลภความโกรธความหลงไปด้วยจางที่ทรงแสดงไว้ใน อุนกบดเนี่ยก็คือสีนั่นแหละหมาความงดเว้นเจาปานานติบาตอ่ะงดเว้นเจปานานติบาตงดเว้นตัวตัวเองงดเว้นจากการใช้คนอื่นงดเว้นจากการยกย่องสันเสริญคนที่ทําปานานติบาตใจประกอบด้วยเมตตาในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จริงๆก็เลยไปที่เอ็นดูก็เลยไปที่กรุณา แล้วก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่บริสุทธิ์มันก็ไปเชื่อมกับสมาธิมันก็เหมือนที่เราเรียนเรียมักเนี่ยเราจะเห็นว่าสมมาวจารสมากรรมันตะตาสมาสีวะแล้วก็สมมาวยามะสมมาวยามะเป็นตัวเชื่อมคือสมบพระในข้อแรกมันเป็นศฐฐีตาสิกขาแต่โดยองมธรรมจริงจริงมันเป็นจิตสิกขา คือข้อสังวรระทานเพียรระวังแม่บาปอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยของพระท่านเรียกว่าอินเสียสังบอรดคือการสำรวมระวังอินทรียในเตุบริสุทธิ์ที่ศีลทั้งสี่แล้วก็เชื่อต่อกันอย่างี้ตทีนี้จิตตะวิสุทธ์คือความบริสุทธิ์แห่งจิตก็คือเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการเจริญสมถะกรรมฐาน จ น, นบรลุฌานในชั้นต่างๆนี่จิตมันก็สยบ ก, กิเลสไม่ได้หมายความหมดกิเลสแต่ว่าสยบ ก, กิเลสเอาไว้จากใดที่ฌานยังไม่เสือ่อมกิเลสก็ฟูขึ้นครอบงำจิตไม่ได้แต่ว่าเมื่อแก่ไม่หมดเนี่ยคือระวังใจไม่ได้อาจจะเกิดฟูขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เพราะงั้นก็うううถือว่าเป็นความบริสุทธิระดับนึงแต่ตามปกติแล้วมันก็อยู่ตอนที่เราอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานนะออกจากสมาธิออกจากฌานไปประสบอารมณ์ที่เป็นข้าศึกข้ามมันก็ไปเหมือนกันแต่บางทีไปง่ายได้ไดเพราะอะไรเพราะว่ามันมันแกล้ค่ยกับไปกด กดศีษะอสรพิษเอาไว้พอมันหลุดได้แล้วมันแรงในกิเลสประเภทนี้เราลองสังเกตดูว่าเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในพระพุทธศาสนามีเป็นั้นมากที่คนระดับมหาฤาษีที่ถูกทำลายตัวสมาธิด้วยเพศตรงข้าม เพราะว่าตัวสมาธิเป็นตัวสงกอิเลโเปรลพาที่เรียกว่าการมฉันเป็นสีากระแทกตรงนั้นได้มันก็พังไะแต่ า, ามว่าเป็นจุดอ่อนก็นจุดอ่อน จ, นจุดแข็งก็คือจุดแข็งแต่ว่าตรงนี้อย่าเสี่ยงมันหวั่นไหวได้ง่ายเพราะในฤาษีเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านก็หลีกเล่นอยู่ในป่า อยู่ตาป่าตามถ้ำตาเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายของพระเราก็อยู่ช่วงหนึ่งช่วงจิตสิกขาเนี่ยอยู่ในป่านในเขาเหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็เป็นทิฏฐิวิสุทธ์ความบริสุ ท, ทธิ์หมดจดแห่งทิฏฐิคือความเห็นความเห็นของเราตามปกติแล้วมันก็วิปลาสในสี่เรื่องใหญ่ๆ ก็แสดงว่าความเห็นเหล่านั้นไม่ถูกตรงไม่เป็นสมานทิฏฐิแต่แก่เห็นของที่ไม่สวยงามว่าสวยงามเห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของที่เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวเป็นตนเนี่ยว่าเป็นนาตาคือตัวตนทิฏฐิจะต้องวิสุทธิจากตรงนี้ ตีการบริสุทธิ์เนี่ยมันจะต้องเป็นลดในตัวตันหามาน้าทิศแล้วก็จิตสยบก็ที่จริงก็ะละในจางกลายของกิเลสแล้วจนถึงจุดหนึ่งก็จะบริสุทธิ์หมดตัวจากความเครือบแขลงสงสัยก็เรียกว่ากังขาวิตนาวิสุทธิ เกินึกออกนะว่าอวิชชาเนี่ยไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทางอดีตและอนาคตทีนีทาที่เข้าถึงตรงนี้เนี่ยท่านไม่สงสัยทางอดีตทั้งอนาคตแล้วก็ทางปัจจุบันเด่๋ยวนี้พระเจ้าทรงแสดงว่าแต่ความสรุปนะว่าขั้นหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเรวก็ดีไปนี่ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดี ขั้นหนมันก็สักแต่ว่ากันห้าเอาก็จริงแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราถตาความเห็นเรานี้เห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงเนี่ยมันไปดับพวกนี้ได้ไปดับสนามมนณะทิฏฐิได้ปนแปลงนั้นก็เป็นปฏิปทาคือรู้ทางว่าควรจะไปทางไหนอะทีนี้ชัดเจนน มันเหมือนกเราเดินไปเจอทางสองแพร่งเนี่ยถ้าเรายังไม่ชัดเจนเนี่ยเราเรายังไปไม่ได้มันต้องขจัดความสงสัยไปพอขจัดความสงสัยไปได้มันก็ชัดเจนในทางที่จะดําเนินไปสู่ตรงนั้นทีนี้พอดำเนินไปเนี่ยมันก็จะเข้าถึงตัววิปัสสนาปัญญาตัวญาณ น, นะเขาเรียกวิญาณนะทัศนาวิสุทธ ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งความรู้และความเห็นที่เกิดผุดขึ้นภายในจิตโดยสายจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ก็เกิดผุดขึ้นตอนพอมาวิสุทธิ์เนี่ยเราจะเห็นว่าคล้ายๆาากันเลยเช่นกัน ในสติปัฏฐานเนี่ยเาแสดงกายเวทนาจิตธรรมแต่ว่าในวิสุทธ์เนี่ยแสดงสีสมาธิปัญญานะูงา่ายแสดงสีสมางปัญญาหรือว่าอริยมรรคมีองแปประการทีนี้โซโกปริเดวันังสมาธิกมายะเพื่อก้าวล่วมความโศกและปริเทวะ ความสูงความรับไรราพันความทุกข์ความเสีบใจความขัดแย้งใจเพื่อง่ายวัทุกทั้งปวงอ่ะทุกประเภทที่เรียกว่าเป็นปกินเนกะทุกคือทุกจรเพราะอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดเนยอารมณ์ที่เรารักเมื่อพระราคสูญเสียจะเกิดโศกะปิเทวะทุกขโทมนาตุปายาตแต่เมื่อรู้แจ้งเห็นจริง คนตายก็ธรรมดา่าในชาดกที่กล่าวถึงครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาเจะเรียนอนานสติกกันลูกชายกับพ่อไปทำนาพอดีลูกชายถูกงูกัดก็กระหวังศพลูกเอาไว้แล้วก็ทำนาเฉยมีคนเดินผ่านก็สั่งมาบอกที่บ้านวันนี้เตรียมอาหารมาอย่างเดียวอย่างสมัคคนคนเดียว คนที่บ้านเขาก็รู้ว่าแสดงว่าลูกชายตายแล้วก็ไม่เดืดร้อนอะไรจ่าทหารไปให้ผู้ทีเป็นสามีปู่ตีเป็นพ่อของเด็กแล้วก็จัดการชาวบ้านกิจศพลูกมันมีอะไรล่ะมันมีแม่มีน้องสาวแล้วก็มีนางทาัดสีแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนกัน คือชีวิตมันมีอย่างนี้เป็นธรรมดาเพราะโศกกาลปริเทวามันก็ไม่เกิดโศกะา ร, ริเทวามันมาจากเราไม่รู้ความจริงหรือเราไม่ยอมรับความจริงแต่ถามพระศุขไปทำอะไรอย่างหลายปีมาแล้วนะที่ที่จังหวัดนครมีคนลูกเขาหายไปแล้วก็เที่ ย, ยว เธอวิ่งตามหานะตามหาไปในที่โน้นที่นี้ที่นั่นไปเดี๋ยวก็ได้ยินก็ประกาศข่าวว่าเด็กตกน้ำเขาก็ช่วยกันเอาขึ้นมาวางไว้แต่ไม่รู้ลูกใครนะก็ผ้าข่าวมาคลุมไปไอ้สามีกับพัญญาอากะอาศัยที่พ ร, พรากจากลูกสาวเนี่ย มันรับทันทีเลยว่าเป็นลูกของตัวเองตายบินร้องห่มร้องไห้ไปตลอดทางไปถึงก็กม้มลงก็กอดลิ่งเลืออยู่บนสากศพทีนี้การ้องไปร้องมาผ้าปิดศพเนี่ยมันเปิดไอ้เพื่อนบ้านที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยคนหนึ่งเขาก็สะกิดบอกว่านี่นี่คุณคุณไม่ใช่ลูกเธอนะเนี่ยไม่ใช่ แต่พวกนี้ว่าเ้อก็เงินน่ากันไปโดยความไม่แน่ใจผมมองปั๊บเห็นว่าไม่ใช่ลูกตัวเองดีใจกอดกันรอ้อกอดกันหัวเราะกันใหญ่ดีใจกันใหญ่แล้วก็ร้องไห้ต่อร้องไห้ด้วยความดีใจว่าลูกตัวเองยังไม่ได้ตายนั่นจะเห็นได้ว่ามันเป็นอาการของโศกะคือตุทุก แต่เป็นมาจากความรักหรือมาจากความรักเนี่ยก็แสดงว่ามีโมหะปิดบงังเหตุผลร ต, ติปัญญาเอาไว้พอถึงจุดหนึ่งเมื่อเขาตายแล้วก็ทำใจยอมรับไม่ได้บันโศกาปริเทวะทุกกระทมนะทุปัญญาที่จริงก็ยาวนะพวกนี้แต่ในที่นี้ทรงแสดงสี่ข้อคือความโศกกับปริเทวะ แล้วก็ดับศูนย์แห่งทุกข์และโสมนะตรงนี้ตรงชาเขามาดับศูนย์ก้ารล่วงคือกันเนะียฮะคือคือมันผ่านเลยไปเลยความสศกความโศกความรําไรวยร่ำพันธ์เนี่ยมันอยู่ในทีหนนท่หนึ่งแต่ว่าเราก็เลยเป็นในที่หนึ่งใจมันเลยไปเพราะนั่นก็เหตุให้โศกเนี่ยมันทาอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเหตุไอ้ตัววัตถุมันก็ทําอะไรไม่ได้ ทีนีพอทุกขโทมานัทจะสงใจกันว่าเพื่อความดับสูญแห่งทุกและโทมานัทุกน่ะหมายถึงความทุกกายนะคือถ้าเขามาคู่กันอย่างเนี้ยทุกหมายถึงทุกกายโทมนัหมายถึงทุกใจทุกกายที่เป็นส่วนสภาวะทุกเนี่ยเราจะพ้นได้จริงๆก็ต่อโน่นแหละตอเราตายอย่างพระหันท่านพ้นทุกกายจริงๆก็ ตอนที่านนิพพานแล้วความทุกข์คงเกิดขึ้นแก่ร่างกายที่เป็นส่วนวิบากขันของท่านเพียงแต่ว่าท่านไม่ยึดติดเท่านั้นเองเพราะว่าท่านมีอยู่ป่าฐานที่เป็นเอกยึดในขันทั้งหลายเหล่านั้นผลต่นานก็ไม่ฟูไม่แฟบไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อประสบกับความสูญเสียหรือการได้มา ทีนี้ไอ้โทมนานัทเนียมันเป็นลักษณะทางอารมณ์ก็พวกเนี้ยโศกกาพิเทวะทุกขโทมานาตุปายามันเกงความรู้สึกภายในใจเราแต่อย่าลืมว่าความรักเนี่ยมาจากกิเลสตัวนี้กิเลสมันดับพวกแต่กระบวนการทั้งหลายทั้งแถวมันก็ดับนะคล้ายๆกับพันไม้เลื้อยที่เราตัดรากเนี่ยไอ้ตายมันก็เหี่ยวนะ อาจจะอยู่ห่างกันทักเป็นเส้นๆก็ได้มังที่เขี่ยวต้นความเกี่ยวเนื่องถึงกันแล้วก็รับสั่งว่าเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องหมายความมาการบรรลุธรรมที่ถูกต้องเนี่ย ต, ตัดสินกันตรงไหนยาติสัตยอธิกมายะตัวเนี้ยที่จริงบางทีก็หมายถึงนิพพานกัน แต่าทำที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าปฏิบัติไปแล้วกิเลสมันลดคือขัดเกลากิเลสแล้วก็ธรรมะมันก็เพิ่มขึ้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนิบานะสะสติกริยาอยากทำพระนิพพานให้แจ้งให้ปรากฏขึ้นไปในจิตใจนิพพานนั้นเป็นการดับทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ แล้วก็มีผู้การพูดถึงนิพพานอ่อนๆเรียกว่าตทังกันนิพพานหรือตทังกับวิมุตหรือตทังกับอหานหรือบางทีเรียกว่าตทังกันนิโรธน่นก็แล้วแต่หมายความดับกิเลสได้ด้วยอารมณ์ในแต่ละขณะไม่ใช่ดับแต่จริงแต่ขณะนั้นจริงเช่นคนทาให้เราโกรธแล้วเราไม่โกรธ มันก็เป็นการพ้นจากกิเลสไปยอย่างน้อยขณะหนึ่งแหละซึ่งเป็นเรื่องที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของคนรือคนจะรู้ธรรมะหรือไม่รู้ธรรมะ ก, ก็ตามแม้มีจุดหนึ่งที่เขามีสติยับยั้งชั่งใจเขาเหนี่ยวรั้งใจเขาได้บางคนฟังข่าว ยังนึกว่าเออเด็กสมัยนี้มันก็ก็แปลกแต่ว่ามีหนุ่มกลุ่มหนึ่งเจ็ดแปดคนเต่นแดงเต้นกากันอยู่ที่รถกระบะเด็กปั๊มคนหนึ่งก็ขับรถผ่านมาก็เรียกพวกนี้ก็เรียกเอามาเต้นกันไหมเด็กปัมก็บอกว่าตามสบายพี่ ผู้ชายเนี่ยแกลงมาซ้อมมานะ่ะรุมชกต่อยรุมแทงตำรวจอายุสี่สิบกว่าแล้วผ่านมาเห็นข้าวก็ลงเดินไปเพื่อจะห้ามปราบไอ้คนประมาณนี้ประมาณสิบคนเนี่ยหันมาล้อมตำรวจแทงตำนวดเลยนะแล้วปืนตีหัวดึงปืนมาจากเอวใส่เอวตำนวดเนี่ยก็ตีหัวตำรวดแล้วก็ซ้อม แล้วก็ปล้นเอาทองไปแล้วเอาปืนไปอโอ้โหเด็กสมัยนี้เราเรียกว่าสัตว์นรกมาเกิดจริงๆเลยเป็นปัญหาใหญ่นะคือสังคมยังหลงทางอยู่อย่างนี้แล้วจะจะยุ่งมากไปต่อไปนะคือเราไปคิดแต่ธุรกิจทางวิชาการเราไม่ได้เสริมสร้างศีลธรรมให้แก่เด็ก เด็กมันไม่มีภูมิจิตในการคุ้มครองจิตตอนแกรู้ยังไงแกก็โกงนะฮแกก็ทุจริตแกก็รักเอาเปรียบแกก็เอาตัวเองเป็นฐานนะ่คือเห็นแก่ตัวแต่ธรรมะปฏิบัติเนี่ยไปเห็นแก่คนอื่นลูกสำนึกคุณของพ่อแม่แล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อพ่อแม่ของตน ก็แสดงว่าจิตใจมันเอือดถอดมันเห็นเห็นแก่คนอื่นเพื่อความสุขของคนอื่นแต่ลักษณะอารมณ์เนี่ยมันไปให้ความตกกันกแก่ตัวเองใครกระทบไม่ได้กระทบ ก, จก็จโกรธเราจัดการศึกษาเรา ไปเน้นในเนื้อหาวิชาที่มันไกลตัวแล้วก็แม้แต่พอเรียนวิชาพระพุทธศาสนาข้าเนี่ยเวลามันน้อยพิเรียดเป็นนิดเดียวทําหนังสือคู่มือเล่มเบอร์มเลยครูเองก็อ่านไม่จบครูเองก็ไม่เข้าใจแม้แต่คณะกรรมการเองเนี่ยแต่ละคนก็อ่านไม่จบ แล้วก็ทำออกไปเพราะใะ น, นลกลายเป็นทำาให้เป็นเรื่องยากลองสังเกตวัดแนวเนี่ยมันในสุดคนก็สับสนหลายปีมานะแล้วเคยไปผิ่ปลายปัญหาที่ต่างจังหวัดก็มีคนสำคัญนั้นนี่ยนะมีศึกษาที่การจังหวัดมีผู้ว่า แล้วก็มีเลขานุการรัตนปรีวาการกระทรวงศึกษาธิการปุดธรรมะปุดในวัดด้ด้วยแต่แม่ท่านเหล่านี้เสนอธรรมะยาวเหยียดเลยมาก็นั่งจดไปรวมแล้วสามคนเนี่ยเสนอธรรมะให้ผู้ฟังปฏิบัติเนี่ยเก้าสิบอข้อ แล้วก็นึกนึกขำก็ขำสงสารก็สงสารก็พอมาถึงนมามาก็บอกว่าโยมไม่ต้องคิดมากหรอกคิดจะดีก็แล้วกันเราสมารถศักดิปะเราพูดว่าคือปัญหาสำคัญว่าคุณคิดยังไงแต่คุณคิดดีคุณก็ทำดีพูดดีอะไรก็ไปไปเรื่อยไป การความเห็นชอบกับความตบดีชอบเนี่ยมันจะเป็นผู้นําทางมันไม่ใช่ว่าต้องรู้กันต้องท่องกันในขนาดนั้นตรรมะระดับปฏิบัติยอย่างพระครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติเราเห็นว่าท่านก็ไม่ว่ามากอะไรอย่างหลวงปูเ่เสาเนี่ยก็อะไรท่านก็พุโทโธเลยหรือว่าอาจารย์ฟั่นเนี่ยหลวงปู่แหวนเนี่ย เราเห็นว่าท่านพูดท่านพูดน้อยๆทรมมากๆดังนั้นการพระธรรมนิพพานในแจ้งนะคือทำอย่างไงว่าเอาชนะใจตัวเองในแต่ละขณะให้ได้ก่อนแม่แรงกระแทกจากข้างนอกกระตุ้นมาจากข้างนอกมายว่ายวนจากข้างนอก มาหลอกล่อจากข้างนอกมาคมปูป่ผู้ขามจากข้างนอกเราก็ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งมีการเหื่องนึกถึกนึขึ้นมาจากข้างในถึกนึกโดยอำนาจความใคร่ึกนึงโดยอำนาจความคา ย, ยมาความพยาบามึกนึกโดยอำนาจความเบียดเบียนก็ปิดกั้นความคิดเหล่านั้นเสีย ใช้สติใช้สัมปชัญญะเนี่ยปิดกันมันไม่ใช่นิพพานสมบูรณ์หรอกแต่ว่าเป็นหลักการครองชีวิตที่อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามเป็นตัวอย่างที่เล่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือนึกไม่ออกว่าเธอคิดยังไงเด็กเหล่านี้ ค, คิดยังไง ทำไมปฏิบัติการที่รุนแรงอย่างนั้นคือคนสี่สิบกว่าทั้งแ็กเด็ ก, ดกวัยรุ่นเนี่ยมคือพ่อแล้วเขาก็มาห้ามปรามเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่ว่าเขาถือปืนมาละจะยิงมันไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นการขอรอ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทั่หน้าที่เขา เหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเหตุการณ์อย่างนี้แม้แต่พลเมืองดีก็ต้องทำาละแต่ว่าแกตะเลิดเข้าป่าไปเลยถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าวิคัมปะณะนิพานเนี่ยมันก็สยบไว้ด้วยสมาธิดังกล่าวแต่นิพานสมุนในกิเลสต้องขาดจริงๆนะะ ต้องขาดจริงๆอย่างน้อยสามข้ออย่างประสดบันเนี่ยเข้าสู่กระแสนิพพานก็มีสามข้อติก็รับสั่งว่าทางนี้คือสติสติปทานสี่ประการสี่ประการเป็นชนยัยนี้เป็นวิธีถามและตอบของพระพุทธเจ้า<อ>เรียกว่ากัตเทตุกรรมมยตาปุชฉาคือถามเพื่อจะตอบเองบางทีถามเพื่อจะรู้ บางทีถามเพื่อสอบฐานเทียบเคียงบางทีถามเพื่อจะตอบเองบางทีเนี่ยถามเพราะต้องการจะดูหมิ่นคือคือยกตนคนแทนต้องการจะลูหมิน่นผู้ตอบในลักษณะซุ่มเสียงเนี่ยมันออกคือเราฟังปับเราก็รู้อันนี้มันถามเพื่ออะไร เป็นพวกที่ชอบถามอภิธรรมอเงี้ยมันก็ต้องการจะโอ้อวดว่าฉันรู้มากเ๋ยวพูดออกไปแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยก็อชอบพูดชอบแสดงมันอัตตามันเคืองแล้วมานะมันก็เขืองจนกลายเป็นอติมานะคือดูหมินคนอี เราันเราจะเห็นว่าการถามในลักษณะนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรแตถามเพื่อจะตอบเองถามเพื่อเทียบเทียงถามเพื่อกรจัดความสงสยัยถามเพื่อต้องการจะรู้มันเป็นลักษณะสร้างสรรค์เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนระบุคนเหล่านั้นเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมก็ทรงแสดงบท เป็นค่้ายๆกับเป็นบทตั้งนะฮะบทตั้งแล้วก็นำไปสู่บทขยายว่าดุกรอนพิสู์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรร ม, มในนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปญญะมีสติกกรจัดอพิจาและทุตุปนัตในโลกเสดได้แต่ละข้อนี่เรื่องใหญ่เลยนะพิจารณาเห็นกายในกาย เพราะกายเราเป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะทิฏฐิแต่ในที่นี้ก็เน้นไปที่ตั้งแห่งกามาตัณหากับภาวะตัณหาเพราถ้าหากว่าเราไม่รู้จักกายเราไม่เรียนรู้จักกายเราก็เรียนรู้จักกายนอกกายภายในเนี่ยหมายถึงกายเรากายนอ ก, กคือกายคนอื่นเอาหยาดยาอย่างนี้ก่อนนะนะ เพื่ออารมณ์กรรมฐานที่เรียนเนี่ยวันที่เราเรียนจะ ก, กายก็ได้บางที่เราเรียนจะ ก, กายเราจะยกตัวอย่างว่ากายยกตาสติมีสติที่เป็นไปในกายก็ศึกษาองค์ประกอบของร่างกายจึงเป็นที่ตั้งแห่งความขนาดเพิน ย, ยืดยุ่นยดีของคนทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวใหญ่จริงๆมันก็มีห คือพงคนได้ฟันหนังถ้าฟังลองสังเกตว่าโลกเนี่ยต้องการจะหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นให้นะัดผมตัวเองนี่มันสวยมากเสียเงินเพราะผมภาษีผมในมหาศาลนะะคือถ้าคนเหล่านี้จดเอาไว้ว่าแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเราจ่ายค่าผมไปเท่าไหร่ แต่ค่าขนต่างๆเนี่ยขนคิว้วขนตาตอะไรต่างๆโอ้แต่งกันอุตลุดเลเล็บนะฮะแต่งเล็บประดับเล็บต่อเล็บสารพัดอะเทียภาษีอะไรนั้นเลยพวกนี้แล้วก็ฟันออ้ฟันเนี่ยกลายเป็นทันตแพทย์เลยเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยเนะ ธุรกิจกับการทำฟันเนี่ยซี้เป็นหมื่นนไม่ใช่เล่นเพราต้องการให้ฟันสวยการฟันสวยยิ้มสวยตกแต่งกันโดวยวิธีการต่างๆทนี้หนังเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเราที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนอกจากผมนอกจากขนนอกจากเล็บ ออกจากฝันมันก็เป็นหนังหนังมันเหมือนกับเอาผ้าบาคลุมตัวเราไว้ที่พระเจ้าทรงแสดงว่าร่างกายเนี่ยโครงกระดูกมันสร้างขึ้นมาแล้วก็มัดไว้ด้วยเส้นเอ็นทั้งหลายแล้วก็โปะคือฉาบทาไว้ด้วยด้วยเนื้อแล้วเอาหนังมาคลุมไว้ หลือถอดออกทีละส่วนก็ก็ไม่ไปแล้วนะเอาหนังออกอย่างเดียวก็แย่แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เราหลงรักนำไปสู่ปัญหาสารพัดในการคิดว่ากองกระดูกกำมังกองกระดูกแบบนกพุทธรักคิดนี่มันคิดยากเราสังเกตรู้สึกสงครามที่มันแย่งชิงแย่งชิงพูมคนณดึกฝันยนย่าง อย่างจริงสาวสวยผู้หญิงกับผู้ชายฆ่ากันตายพื่นกับเพื่อนฆ่ากันตายเพราะแย่งผู้หญิงกันในเรื่องแปลกแต่จริงนะคือถ้าเราดูสถิติแล้วปัจจุบันนี้แรงกว่าทีแรงกว่าสมัยโบราณอาจจะคนน้อยกว่านะครือความสลับซับซ้อนของสภาพแวดล้อมในะมันแตกต่างกัน ทำให้เราเห็นว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปกามรมารคา่ะโดยทั่วไปแหะแต่ว่าบางจุดมันก็แรงนะคือคือสมัยโบราณเรานึกถึงว่าการมีฮาเรมอยู่ในโอ้โหผู้ชายคนเดียวผู้หญิงเป็นฝูงเลยอยู่กันทำอะไรกัน ห้องเต้จีน เ, เนี่ยเราตั้งกี่องเต้จีนเนี่ยสาวสั่งกั น, นไหนก็เยอะอะไรอ่ะตั้งแมงเบ็ดเสร็จประมาณส like ี่ห้าพันแสดงว่าอยู่กันเุอะเยอะไปหมดเลยไปจ่ายไปสิ้นเปลืองไปกระจุกตัวอยู่ตรนั้นแล้วก็ห้องเต้จีนเนี่ยอายุจะสั้นก็บมีเชิญหลงกับแปรขังสียจะยืดยืด ตนนั้นอายุไม่ยืนเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาเรื่องนีเง้เรื่องเรื่องเพศเรื่องอะไรเนี่ยใช้มากเกินไปมุกมุ่นในเรื่องนี้มากเกินไปมันก็กายนะจิกายคือกุอายะเป็นแหล่งรวมแหล่งที่ประชุมของสิ่งปฏิกูน่าเกลียดทั้งหลาย แต่เราก็มีความกำนัดเพลิดเพลินอยู่เพราะงั้นพระเจ้าจึงสอนให้มองอีกอีกชั้นหนึ่งอ่ะคือไม่มองเท่าติตาเห็นไม่มองที่ตาเนื้อเห็นแต่ให้ใช้ตาปัญญามองใ้จุดเดียวกันนั่นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่จุดเดียวกันต้องฟังแตไเสียงธรรมจากมหาวิตรไหลสีปฐุมในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายทุยทั่วกันสวัสดี